อ้างอิงบิลเลีَ أوكم من ف ض إن في ذلك آيات القوم يسمعون إن ي ذلك ي ا القوم يسمعون إ <تصفيق> ا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 أ ش ه د أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك لمات الله ل ت َ م َ ا ت ِ مِن شَرِّ م َ خ ل َ ق بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا ي َ د ر ُ مَا عَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ و َ ل ا ف ي ا ل س م ا ء و ه س م ي ع ٌ ع ل ي م ร ر ดีดุ ا บิลِาฮิรับบ ل วั م อิสลามดีَ่าวับมุฮ ل มมั ه อิ و สูลาอัลลอฮุมัยนีอาอูบุบิก์มิَักัสลิวสู ا ิลคิบรีร ر บ ب ์อาอูบ و ذ ُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ س ُ ب ْ حمد ِ ه ِ عددخلق ه วาริดาเน ن ซีวアジนตะอารซีวามَดาดِกลิมัต ا ل พี่น้องที่ร่วมนมัสกาที่รักทั้งหลายครับล่าินื่ถึงอัลลอ์นะเพราะการนึกถึงอัลลอ์เนี่ยทให้หัวใจสงบและเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าบรรดาสัฮาบะนยุคที่ท่านนบีกาลังมีชีวิตอยู่เนี่ย บรรดาศาบาเนี่ยเขาปฏิบัติตามนาบีนบีทำอะไรสั่งอะไรปฏิบัติหมดอัลลอฮ์ก็พอใจพออัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์ก็ยกย่องให้เกียรติบุคคลเหล่านั้นในคุณอ่านอธิบายไว้สองสามระยะเช่นรอดุยัลลอฮ์ุอานฮุมอัลลอฮ์พอใจแล้วพวกเขาก็พอใจในคำสั่งของอัลลอฮ์ทุกคำสั่ง ไม่ว่างงานหนักงานเบารับหมดเลยงานหนักๆก็งานออกจิฮาดปกป้องาศาสนาต้องไปเสียชีวิตนะมีอยู่คนหนึ่ง ส, วสาวบ้านนบีมีอยู่คนหนึ่งชื่อฮังซอละคันฮังซอลละนี่คนนบีประกาศบอกว่าออกจิฮาดจีฮาดมาถึงตายนะสมัครเลย พอออกไปทาสงครามก็เสีชีวนะนบีเห็นท่านฮันซาลาเนี่ยกำลังมาลาอิกากำลังอาบน้ําให้ระหว่างชั้นว้ากับแผ่นดินนบีก็มองเอ๊ะอาบน้ําให้ทําไมเพราะธรรมดาคนตายชสียีวิตไม่ต้องไม่ต้องอาบน้าไม่ต้องทำอะไรทั้งนิ่นนะครับเราฝังไปเลยแต่คนนี้คนเดียวที่มาลาอิกาลงมาอาบน้ําเรียกว่ากอร์ซิลมาลาอิกา พอสงครามจบนบีก็ส่งคนไปถามที่บ้านที่บ้านทันโซล่าในแหละพนทันโซล่าเมียก็บอกว่าฉันเพิ่มนิกายกันได้คืนแรก <c oughs> นิกากันได้คืนแรกพอนบีประกาศสงครามออกเลยยังไม่ได้ทันอาบนา้าจานาบายังไม่ทันอาบนา้ํายูนุปเสียชีวิตว่าอ้าวโด้เหตุ น, นี้ฉันเห็นมาลายิกาอาบน้ําให้ท่านทันโซล่า ระวังระวังชั้นฟ้ากับแผ่นดินเห็นยังครับและเป็นชาวสวรรค์นั่นน่ะแต่เรื่องหนักๆอย่างนี้เนี่ยบรรดาซาบานาบีรับหมดเลยแล้วเป็นไงครับบิ็นชาวสวรรค์นบีเห็นมาเลยกันลงมาอาบน้ำมานี่เป็นเรื่องเรื่องจริงทั้งหมดในสมัยท่านนาบีเนี่ยบรรดาซาบานาบีเขปฏิบัติตามนาบีแล้วอัลลอฮ์พอใจอ่ะ วันนี้จะหาพวกเรามุสลิมทั่วโลกดีนะเอาสุนนะนบีมาใช้เนี่ยนะสัตรูของอิสลามไม่มีสิทธิ์ที่จะมามาต่อว่ามาทําลายอะ่ะแต่ว่าคือน้องมุสลิมเราทั่วโลกเป็ น, เ ป, นเป็นอย่างซอบ้าหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะ่ะแต่ข้อค้นที่รักษาศาสนามีไหมมีแต่จํานวนก็ไม่เอยเยอะเท่าไหร่นะครับมองจากโลกอาหรับที่เรามองน่าจะเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราเนี่ยอย่าไปมองเลย มองนบีมองซอบาแค่นั้นพออะครับเอาวันนี้มาขอบคุณน้องล้อนะที่เราได้ทบทวน q u r านมาถึงสุรอรอรูมสุ ร, รที่สามสิบในปีที่ปีที่สามสิบแล้ววันนี้มาถึงอยายะที่ยี่สบเอดของสุรอรอรูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านอายะหนึ่งที่บอกว่ายุคร uh ิยุลไหยามินัลมมยิต วายุครียุลไม่ยมินาลให้อลลอฮเนี่ยให้สิ่งที่มีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วก็เอาสิ่งที่ตายออกมาจากสิ่งที่มีชีวิตอลมอฮในตัปซิสอธิบายก็ว่าไก่กับไข่เนี่ยอะไรมาก่อนไขน่คำตอบก็คือไข่มาก่อนไก่เหมือนกับคนเหมือนกัน่ะ นบีอาดัมเนี่ยมาจากมาจากดินใช่ไหมไม่มีพ่อไม่ทำไม่มีทั้งแม่แล้วก็โตเฮาวเนี่ยมาจากสิคโคงของนบีอาดัมผ่านพ่อไม่ผ่านแม่นบีอีสราเอลอิสลามนีม่ผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อแล้วพวกเราวันนี้นะ่ะมาจากน้ำอสุจิมีพ่อมีแม่นี่ความสามารถของ Allah, ขอัลละฮ์ให้พิจารณาเรื่องแรกว่าอาดัมเนี่ยมาจากอะไรมาจากดินใช่ไหมล่ะ ขาวเดนมีชีวิตไหมก็ไม่มีชีวิตนี่ง่ายสิ่งที่มีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตทุกชนิดเลยนะครับขอบคุณอลัลลอฮ์เนี่ยอัอลออลอฮ์ให้เปิดสมองเราเปิดหูเปิดตาเราให้เชื่อสิ่งที่อยู่จากคำพี์อัลกุรอานทั้งหมดและสบาใจนะครับวันนี้อายาที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ وَمِنْ آيَاتِهِ أ َ ن ْ خ َ ل َ ق َ لَكُم مِنْ أَمْفُوسِكُمْ أ َ ز ْ و َ ا ج ا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا ِ و َ ج َ ع َ ل َ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِك َ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أ َ ز ْ و َ ا ج ا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِك َ لآيَات อะยฮุมดุลลอฮะมดุลลอะยอ า, ย ي ي ه, ه, อายนี้นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ต้องการจะอธิบายคือเล่าให้นบีฟังพูดถึงความสามารถของอัลลอฮ์ที่ว่าอลัลลอฮ์สั่ส ง, นนสงนู่นสะั่งนี่ส้่งนู่นสั่งนี้น่ะนี่คือหลักฐานนะ่ะ กูอานคือด่าเรื่งขึ้นหลักฐานก็ตัง้งแน่นอนครับอายาที่ผ่านมาเนี่ยอายาที่เท่าไรอายาที่ 20, ี่สิไหมอายาที่ยอายาที่19เนี่ยไหมนี่ความสามารถของอัลลอฮ์นะข้อที่หนึ่งนั่นความสามารถข้อที่หนึ่งของอัลลอ์เล่าให้นบีมหฮัมมัดฟังให้นบีมาสอนถ้าเราอา่านเราก็ได้ความรู้อัลล์เล่าให้เราฟัง ความสามารถของอัลลอ์เรื่องที่สองวามินอายาติฮีหนึ่งในสัญญาณทั้งหลายของอัลลอ์อาญาตแบบว่าสัญญาณต้นไม้ก็สัญญาณชานฟ้าก็สัญญาณแผ่นดินก็สัญญาณกลางวันกลางคืนนี่เป็นสัญญาณหมดนะครับสัตวร์สิ่งที่อยู่รอบๆเป็นสัญญาณที่อัลลอ์สร้างมาทั้งหมด เราก็มนุษย์ก็เป็นสัญญาณนี่เป็นสัญญาณเรื่องที่สองวามินอายาติฮิสัญญาณจากหนึ่งในสัญญาณทั้งหลายของอัลลอ์ก็คืออันค้อละ ก, กออัลลอ์เนี่ยได้สร้างละกุ้มสำหรับสูเจ้ามีลามกันไปด้วยละกุ้มแปลว่าสำหรับสูงเจ้าสำหรับมนุษย์อัลลอ์ได้สร้างมนุษย์มาแล้วก็สร้างใครครับสร้าง อสวะยันแปลว่าคู่ครองภรรยาสร้างคู่ครองสร้างผู้ชายคนเดียวอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็ไม่มีผู้หญิงก็เหงาอีกใช่ไหมเหงา ไ, ไม่เหงาเหงาอยู่ผู้ชายอยู่คนเดียวก็เงา <c oughs> สัญญาหนึ่งจากสัญญาทั้งหลายของอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์เนี่ยสร้างภรรยาคู่ครองของสูเจ้า จากตัวมินอัมฟุซิกุมจากตัวของสูเจ้าเองก็พูดง่ายๆก็มาจากดินทั้งหมดนั่นแหละแต่อธิบายให้เราใช้สมองใช้ปัญญาโอ้มินอัมฟุซิกุมก็มาจากตัวของสูเจ้าไอ้คำว่าตัวของสูเจ้าเนี่ยอัลมาบางท่านอาธิบายอย่างนี้โตฮาวาเนี่ยมาจากนบีอาดัมอาดัมมาจากดิน โตฮาวเนี่ยถูกสร้างมาจากซี่โครงด้านซ้ายส่วนบนสุดงอที่สุดแต่มาส่วนบนเนี่ยมันจะงออย่างนี้จะมาในซี่โครง น, ะนั่นแหละเพื่อต้องการจะอธิบายสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งโตฮาวเนี่ยมาจากมาจากอะไรนะมาจากอาดัมมาจากซี่โครงอาดัมและเรื่องที่สองต้องการจะอธิบายว่าต่อบิอดาอะไรนิสัย ของผู้หญิงทั่วโลกเนี่ยจะงอๆ อ, อย่างนี้นี่ไม่ใช่ตำหนินะเล่าให้ผู้ชายฟังภรรยาเนี่ยผู้หญิงที่ทั่วทั่วไปจะงออย่างนี้ถ้าดัดมันหกักถ้าปล่อยไว้ก็งออย่างนี้ต้องการจะอธิบายว่าอยู่กับภรรยาต้องคุยกับภรรยาอธิบายให้ภรรยาฟังตลอดเวลาใครอย่างเงั้นเธอลืมลืมเยอะเพราะว่า ง, งานมันยุ่งอะ่ะงานบ้านก่อนหนักใช่ไหม งานดูแลลูกก็หนกักงานซักเสือ้อผ้างานดูแลสามีงานหนักหมดจะนั้นภรรยาเนี่ยทำงานหนักบางทีอาจจะลืมคําสั่งต่างๆของอัลลอฮ์ที่ผ่านอัลกุรอานผ่านท่านนาบีให้สามีเนะตือนเตือนเตือนเตือ น, นอย่าใช้ความรุนแรงถ้าใช้ความรุนแรงหักอ่อนเกินไปก็งอฉะนั้นระหว่างงอกับกับไรนะระหว่างแรงกับอะไรนะแรงก็หกักอ่อนเกินไปก็ ก็มีปัญหาฉะนั้นต้องระวังอะไรบ้างดัดบ้างเล็กน้อยให้เตือนให้อบรมให้อธิบายเรื่องของอิสลามนี่แหละและภรรยาก็จะอิชอาลลอฮฺจะนำมาซึ่งความความดีอย่างนี้เปนตทีนี้เลาอธิบายต่อไปอีกนะครับหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยมีอะไรได้อะไรหลังจากนิกาแล้วเนี่ยอัลลอให้สามอย่างอัลลอนี่เล่าในะกะพิรกุรอานเลยนะ หลังจากนิกาไปแล้วเนี่ยทั้งผู้ชายและผู้หญิงได้สามอย่างข้อที่หนึ่งลิตัสกูนูอิไลฮะทัสกูนูเนี่ยแปลว่าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้มีใจสงบพอแต่งงานแล้วใจสงบในข้อที่หนึ่งทหัวใจคนนี่นะถ้าถ้ายังไม่แต่งงานเนี่ยใจมันไม่ค่อยไม่ค่อยสงบหรอก ทังผู้หญิงผู้ชาเนี่ยแหละไม่ค่อยสงบหรอกนะครับพอแต่งงานแล้วใจใจสงบแต่ถ้าคุณยังไม่แต่งงานยังไม่รู้ระ ว, ว่าใจสงบเป็นยังไงนอกจากนึกถึงอัลลอฮ์แล้วนึกว่าเอ๊ะยิคิดถึงอัลลอฮ์แล้วน่าจะใจสงบแล้วมันยังไม่พอครับนมาตเองนี่น บ, บีพูดเองนะลำดาอุลาลมะอธิบายต่อนะนมาตของคนโสดเนี่ยใจลอยเยอะเขาใจไม่ค่อยสงบ แต่พอแต่งงานแล้วใจสงบสายงสายตาเนี่ยลดหมดถ้ายังไม่ผ่านการแต่งงานมันชิงเงอร์อผู้หญิงแม่มา้ายกแม่มา้ายอย่ะง้นพูดถึงแม่มา้านะผู้หญิงนี่แ ม, แม่มา้าสามีตายังสาวๆอยู่เนี่ยเขาสังเกตมัลชับเองเนี่ยสังเกตนะถ้าเชิงเงอชิงเงอรเนี่ยระวังระวังระวังให้รีบแต่งงานซะจะนั้นนัฐบาลเลยสั่งว่าแม่หม้าถ้าเจอคู่ครองให้รีบแต่งงานเลย เพราะว่าชีวิตเขาเคยเผ่านมาแล้วไงฉะนั้นเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยมันเหงาอิสลามสอนหมดเลยอัล่ามันไม่เลยละฉะนั้นพอผ่านการแต่งงานแล้วหัวใจ้อใจสงบข้อที่หนึ่งข้อที่สองกับพออยู่กับภรรยานี่นะผู้ชายนี่หัวใจสงบหมดเลยอีไล่ฮะเมื่อแต่งงานอยู่กับภรรยาฮาๆาคุณแบบๆบผู้หญิง เครื่องที่2องว่าจะเอาลายใบหน้ากุ้มมาวัดดะจะเอาลายใบว่าทำนี่อัลลอฮ์ทำให้นะอัลลอฮ์ทำให้เกิดขึ้นนะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ตั้งโุกเถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะในระหว่างพวกใบหน้ากุมในระหว่างสู่เจ้าข้อที่2องมาวัดดะจัความรักอัลลอฮ์พี่ช้าไม่แต่งงานไม่รู้ว่ารักเป็นยังไง ในเรื่องที่สองเรื่องที่หนึ่งหัวใจสงบเรื่องที่สองความรักก็จะตามมาเรื่องที่สามตามมาอีกวาระมะความเอ็นดูเมตาก็จะตามมาอีกนี่อรรถในชี้นำในกพุทธานผ่านท่านนาบีมอมหมัดว่าส่งเสริมให้แต่งงานนาบีก็ทำเป็นรูปแบบไว้นบีแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ ยี่สิบห้าฉะนั้นถ้าจะเอาตามสุ น, นานาบีนะหนุ่มยี่ิบ้านี่นี่ก้าได้แล้วแล้วก็นบีให้รูปแบบอีกนี่ก้ากับใครนะแม่ไมอายุสี่สิบอย่างครับนี่มีผู้ชายหลายคนก็เดินตามนาบีมีไหมมีครับแต่เวลานาบีพูดนบีสอนนบีบอกพวกท่านทั้งหลายจงแต่งงานกับผู้หญิงสาวสาวเห็นไหม นบีรู้แต่เป้าหมายที่อัลลอฮ์ให้นบีแต่งกับท่านหญิงขอดีญาเนี่ยมีเป้าหมายพิเศษถือว่าท่านหญิงคอดียะเป็นผู้หญิงที่มีฐานะการเงินเยอะมากใช่ไหมละ่ะและพระยาผู้หญิงคอดีญาเนี่ยชอบนะแล้วก็เสนอตัวขอนะขอท่านนบีเป็นสามีหลังจากที่ทรงนบีไปไ ป, ไปทําการคาขาจนนบีฉลาด เราดูแลมาตลอดไม่อยู่เรื่องอยู่เรื่องเดาตัวลั้นหนมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือว่าทรงท่านนาบีเนี่ยก่อนเป็นนบีส่งมูฮัมหมัดเนี่ยไปทําการค้านางก็รอเอ้มันน่ามันได้เวลาจะกลับแล้วมึงก็ยืนอยู่บนชั้นสองของบ้านแล้วก็มองดูก็เห็นมูฮัมหมัดกลับแล้วพาขอกองคารวานเข้ามาสินค้ามาแล้วก็มีเมฆเนี่ย คุมนบีคือมุฮัมมัดเอเดินไปกบบมีแม่คุมไปคุมไปไม่ให้ร้อนน่ะนางก็สงสัยนี่มีอะไรอ่ะเนี่ยเป็นอาลามัดนะครับพนางได้มองเออผู้ชายคนนี้มาเฉยธรรมดานะแล้วก็นบีเนี่ยฉลาดด้วยคืออัครากดีนิสัยดีค้าขายมีอัมมาน่าดีมากตั้งแต่ก่อนเป็นนบีแล้วใช่ไหมเนี่ยเป็นที่ไปที่มานะครับ ทีนี้ตัวเราพาแต่งงานเนี่ยเอาลองให้กี่อย่างนะสมอย่างเรื่องที่หนึ่งหัวใจสงบสงบทั้งผู้หญิงแต่สงทั้งทางทัง ท, ง ท, งทังผู้ชายแล้วแต่คุณอ่านตรงนี้ให้เกียรติผู้ชายก่อนให้เกียรติผู้ชายก่อนว่าถ้าแต่งงานแล้วทําให้หัวใจสงบเรื่องที่สองอะไรตามมานะมาวัดด้คะความรักตามมาเรื่องที่สมความเมตตาสงสารเอ็นดูจะตามมาตอนไหนรู้ปะ่ะส่วนใหญ่ตอนตอนแก่ๆ อร่อม่าเนี่ยอารมณ์อารมณ์เซ็กก็เบาวลงไปเยอะใช่ไหมล่ะแต่ความรักมาสงสารเมตตาเนี่ยมันจะตามมาเราภรรยาป่วยเรารสามีบางคนอยู่ไม่ได้เลยเร า, าคิดถึงภรรยาใช่ไหมหลังท่้นอายุเท่าไหร่หกสสามีก็65บหหรือ70สิสนญมันจะแต่งมากผู้ชายมากจะอายุมากจะมากกวภรรยา ต, ตลอดเวลานี่ผมพบกับผู้หญิงคนหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยนะ เป็นคนใหญ่นะตระกูลดีแล้วลูกๆเขาเนี่ยเป็นราชมลเป็นเป็นนายกลูกเป็นนายกเลยเดินทางไปไหนไม่ทราบเดินไปแล้วเราก็นั่งคุยกันนั่งคุยกันเรื่องอิสลามผมก็คุยเรื่องเนี้เรื่องความเรื่องนิกายในอิสลามอ่านกุอ่า น, านให้ให้ฟังเพราะอธิบายเสร็จเขาว่ากูอ่านอธิบายว่าความรักนะี่ยมีอยู่สามอย่าง เขาพัฒนาใจมากเลยข้อที่หนึ่งทำให้หัวใจสงบอันที่สองความรักอันที่สามความเมตตูเอ็นดูเมตตาเกิดขึ้นพระพุูธโจ้าเขบอกว่าฉันเนี่ยนะแต่งงานเนี่ยได้สองข้อในข้อที่สองกับข้อที่สามแต่ข้อแรกเนี่ยใจไม่สงบระแวงตลอด <laughs> ระแวงตลอด มาทาว่าจิาจรนราแบบจิ้นขณะนี้ยังระแวงอยู่เลยเนี่ยไม่มีความสุขได้สองอย่างได้อะไรนะได้ความรักความเอ็นดูเมตตาดูแต่อีกข้อแรกที่ที่กูอ่านอธิบายเนี่ยฉันยังไม่ได้เลยเนยฉะนั้นมันต้องมีอีมานด้วยใช่ไหมล่ะอย่าลืมนะต้องมีอีมานมีอิสลามมีสุนนนาบีกำกับชีวิตถึงจะได้ครบ ทำได้เลยแหลเนี่ยพอนั่งคุยแล้วโอ้โหทำได้เลยขอบคุณอลัลลอฮ์นะท่านอีมานเป็นเรื่องใหญ่มากครับที่เราแต่งงานเราแต่งงานเพราะคําสั่งของอลัลลอฮ์ผลบุญมีไหมมีครับมีท่านนาบูขเลยร้อเนี่ยเป็นช า, าบ้านนบีอลัลลอฮ์พี่น้องครับนบีมาหาท่านนาบีว่ยายาสูลรอฉันเนี่ยจนนบีแต่งงานสิ ก็ไปแต่งงานไปแต่งงานริสกี้เพิ่มเพราะริสกีของภรรยามีไหมมีของเราก็มีของลูกมันมีอยู่แล้วของใครของมันอตลอดจัดไว้ไม่ต้องไปห่วงว่าถ้าแต่งงานแล้วควรจะจนนะไม่ใช่คิดไหมเพราะเรามีอิมานตออลอดนี่เป็นองค์กัห้ามด้วยเลยศรัทธาริสกีของใครของมันนะครับอ่ะทีนี้ในตัฟซีในไฮเดอสต์อธิบายดีนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าสามีต้องรับผิดชอบภรรยาสามีต้องรับผิดชอบภรรยาแต่พวกฝรั่งพยายามที่จะค้านจะอัลกุรอานเสมอต่างคนต่างรับผิดชอบซึ่งกันและกันภรรยาก็ต้องมีงานทําสามีก็มีงานทําจะบังคับกันไม่ได้นี่ยภรรยาตะวันตกพยายามสอนคนในโลกนี่นะให้อะไรนะให้ให้ต่างคนต่างมีอาชีพ แล้วก็ถือว่าผู้หญิงมารับช้สามีนี่นะเหมือนเป็นทาสแต่อิสลามบอกไม่ใช่ผู้หญิงนี่นะครับไม่ต้องทำงานอะไรเลยตตามตามกุรอานตามพัดิสนะหน้าที่ของสามีรับผิดชอบกี่ข้อเจข้อข้อที่หนึ่งรับผิดชอบหาเงินมาเลี้ยงภรรยาสองหาเงินมาซื้อเสื้อผ้าสามที่อยู่อาศัยสี่ค่าใช้จ่ายประจำวัน ห้าเวลาทะเลาะกันอย่าตบหน้าภรรยาแล้วอย่าเตะภรรยาอย่าต่อยภรรยาข้อที่หกอย่าด่าภรรยาข้อที่เจดอย่าหนีภรรยาอาล๋ลหรอเนี่ถ้าสามีแบบนี้นะ่ะภรรยาสบายใจไหมละ่ะหน้าที่ของสามีต้องรับผิดชอบอัอลลอฮฺจะถามในวันเกี่ยมั้ยปฏิบัติหน้าที่ครบหรือเปล่าถ้าเราก็เจราจากับพระราชาในบนนี้สตังมีก็เล่ากันฟังคุยกันก็เจราจากันได้หนิใช่ไหม ที่อาศัยก่อเจรจากันได้แา่ภรรยามีบ้านไหลหลังก็ไม่ต้องไปสร้างใหม่จังมากอยู่ด้วยกันนี่แหละอยู่กับพาตาบ้างแต่นบีฉลาดนะ่ะนบีสอนอย่างนี้นะ่ะวันนี้ท่านหญิงฟาติมาแต่งงานปั๊บเนี่ยพอแต่งเสร็จแล้วเนี่ยนบีให้ญายครอบครัวเลยถามว่าบ้านนาบีมีกี่หลังไม่มีครับมีบ้านนาบีเสร็จแล้วไปเช่าบ้านให้ท่านหญิงฟาติมาท่านกับท่านอาลีอยู่กันเช่าบ้านอยู่นะ่ะ แล้วก็เช่าบ้านอ่ะที่แรกก็เช่าบ้านไกลกับท่านนาบีนั่นแปลว่าเปลี่ยนมาอยู่ข้างๆบ้านพ่อได้ไหมก็มีชาวบ้านคนหนึ่งมีบ้านหลายหลังก็เอาเอาเอ า, เอ า, เอาบ้านใกล้บ้านท่านนาบีเพื่อทานบีจะได้เดินไปปลุกลูกตอนสุบโบะตอนสุโบะนบีปลุกเดินปลุกลูกๆนี่นะไปครอบประตูอ拉ปรตุโซลเลียเธอสองคนน้ำมายกันยังเห็นไหมนี่รูปแบบของท่านนาบีที่ให้ไว้ เป็นห่วงเรื่องอะไรเรื่องน้ำมานไอเราก็เป็นห่วงลูกเหมือนกันแต่ห่วงเรื่องข้าวสารมีกินหรือเปล่าผมจําได้ผมแต่งงานใหม่ๆเนี่ยย่อผมเนี่ยมาขึ้นมากับม้าด้วยนะขึ้นม า, ม า, ม, า, ม, ามาดูเรื่องข้าวสารก่อนข้าวสารมีเปล่าไอเราก็ดีใจอะนะทำได้เลยแล้วแต่พออ่านนะที่ นบี้มันดห่วงเรื่องอะไรนะเรื่องกินเท่าไรเราแต่ห่วงเรื่องอะไรเรื่องอีมาเรื่องนามาเรื่องอัคราเรื่องของเรื่องเรื่องอาคิร้อนหมดเลยอ่ะอย่างนี้เปุนต้นนะครับเอาต่อมาอีกคดีหนึ่งนะครับใครที่ทำร้ายภรรยาเรื่องทำร้ายภรรยานะเตะภรรยาด่าภรรยาแล้วก็ไม่ให้อาหารภรรยาไม่ให้เงินภรรยาให้ใสให้ภรรยาหาเองเ้าเรียกว่า รเลนภรรยานี่ถูกอธรรมกับสามีถ้าภรรยานี่ขออุทิศต่ออัลลอฮ์สามีพังเลยนะเมื่อนางถูกกดขี่ถูกกดขี่ถูกกดขี่ถูกกดขี่เมื่อนางขออุทอศต่ออัลลอฮ์นี่นะครับไอ้คําขอเนี่ยขึ้นข้างบนหมดเลยเป็นอะไรนะมะั้ยเป็นซาอรรภาษาฮะดีษนะ สารอรอๆแปลว่าดวงไฟคำคำอะไรนะคำขอของนางที่ถูกกดขี่จากสามีถูกเตะบ้างถูกต่อยบ้างถูกตบบ้างเลยนะนางเวลานางขอดุอาภาพเนี่ยคำขอเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นกองไฟขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วก็วายมากปึ๊บคาเฟอโรคา ฟ, า ฟ, าฟ อ, อเลยแล้วเล่าให้อาโฟัง อ, อาโจฉันถูอย่างนี้อย่างนี้ ดูนี่ละคัดไปถึงอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ส่งกลับมาส่งกลับมาที่ภรรยาก่อนว่าภรรยาเนี่ยว่าแล้วจริงหรือเปล่าอ่ามาเสร็จแล้วก็มาหาสามีระวังนี่ท่านนบีเตือนนะเตือนผู้ชายนะอย่ารับผิดชอบมีรางวัลตอบแทนจากอลัลลอฮ์ถ้าไม่รับผิดชอบอลัลลอฮ์ก็เล่นงานคุณเหมือนกันจะช้าหรือว่าในอีเรื่องนึง ถลา Allah ไม่เลยลงโ่ษตอนนี้ก็ลงทั่ษตอนตายจะงน่าเป็นหน้าที่ของใครนะของสามีต้องรับผิดชอบภรรยาดูแลทั้งหมดสอนศาสนาด้วยอีมานด้วยตะกวายาตีด้วยนามาด้วยตพะพูจาพ่อพระน่ะห้ามดา่าห้ามตะคอกห้ามขึ้นเสียงดังๆเนี่ยเพราะนาบีให้รูปแบบไว้นาบีไม่เคยทะเลาะกับภรรยาน้บานภรรยานาบีมีกี่คนเห่นไหมเยอะไปหมดนะแต่นบีไม่เคยทะเลาะเลยแต่พวกเรานี่เป็นยังไงอะ เราในฐานะภรรยาเดียวนะยังทะเลาะ ก, กันอยู่เลยนะเพราะเราพอมาทิ้งอิสลามทิ้งหลักการเนี่ยใช้อารมณ์ใช่อารมณ์ใช่อารมณ์แล้วก็ปัญหาวุ่นวายที่เกิดขึ้นเพราะเรามีอารมณ์อย่างเดียวเอาต่อมาเรื่องที่เรื่องที่สามการที่สามีมอบเงินให้ภรรยานะครับมาอ่ากปรรยุลุอิมรออัจฮ ah ุฟฮวาสดะกอตุน ทรัพย์สินเงินทองที่ซื้อให้ให้ภรรยาเป็นสซดก็หมดเลยมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์สุภานะหัวตานะอัออออลลอ์ดีมากครับฉะนั้นต้องส่งเสริมให้แต่งงานกันนะครับต่อๆมาครับนบีสอนต่ออีกถ้าเห็นเห็นข้อบกพร่องของภรรยาเห็นข้อบกพร่องคนนี้มีอยู่สองสองด้านามากด้านมืดกับด้านสว่าง ถ้าเราเห็นด้านมืดอย่างเดียวด้านสว่างไม่เคยมองเลยแต่ทุกคนมันมีข้อสว่างมีไหมมีแต่สามีเนี่ยมัจฉลาดมองในเรื่องข้อบอกพร่องข้อบอกพร่องข้อบอกพร่องเันเรียว่าอย่ามองอย่างนั้นแต่ให้มองจุดเด่นของภรยาบ้างเพื่อจะจะอยู่ด้วยกันโดยไม่ทะเลาะ ก, กันจุดเด่นภรยามีอะไรบ้างขอยกตัวอย่างทำอาหารอร่อยเอาเอาแค่นี้นะ อย่างอื่นเนี่ยนางขาดตกบวัวพร่องสามสี่ข้อไอ้สามีก็มองไอ้ข้อที่ด้อยๆในเราเราก็ทะเลาะ ก, กันด่ากันนบีก็เปลี่ยนมองใหม่ที่นะครับให้มองยังไงให้มองข้อเด่นของภรรยาทําอาหารอร่อยพูดจาดีจัดที่นอนดีอย่างอื่นอาจจะข้อข้อตวัวบัวพร่องอย่ามองข้อนั้นแต่ให้มองจุดเด่นของภรรยานี่นบีสั่งครับไปนอน ทำดูลิลลอร์ไปน้องโอ้เรื่องเรื่องใหญ่มากนะครับเอาต่อมาครับอีกข้อหนึงนบีศอนนะนบีบอกว่าท่านทั้งหลายคอยรู้กุ้มคอยรู้กุ้มลีอาลีอาลฮีว่านะคอยรุกุ้มลีอาลีท่านทั้งหลายจงทําดีนี่สามสามีนะจงทําดีกับภรรยาของท่านจงพูดสองครั้งนะคอยรุกุม้มคอยรุกุม้มคนที่ดีที่สุดของกลุ่มสูเจ้า คนที่ดีที่สุดของกลุ่มสูเจ้าก็คือคนที่ทําดีกับภรรยาของเขาว่าอนะคอยรู้กลุ่มหรืออาลีฉันนี้ทําดีกับภรรยาของฉันเอาแบบท่านนาบีมาเป็นแบบ อ, อ๋อรอมีอยู่สองอย่างนาบีพูดเรื่องนี้นะดูฉันเป็นแบบนะเรื่องแต่างงานเรื่องการดูแลภรรยาและอีกแบบหนึ่งทําฮัท ด, ดูแบบจนนากนบีอย่าคิดเองติดไม่ดีๆๆๆด Allahamdulillah ปีนั illah, ตงต่งางๆครับอ Allah ว่าบางเรื่อ ง, เ ร, อ ง, เ, รองเรื่องใหญ่นะอันนี้นั่นอธิบายนะครับว่าจะอธิบายนักบุญม่าวัดดัตันวรรณะอินฟิศลิกาลาอาญาแท้จริงในเรื่องของแต่งการแต่งงานที่ได้สามประการนี้นะลาอาญาเป็นสัญญาให้เราได้ไปคิดต่อยอดอีก ลีเขามียาตาฟักก์รูนสําหรับมูชนเนี่พูดถึงหรื่อมูชนเลยนะเลาไม่ได้พูดตรงสายตายตัวนะพูดกลุ่มเลยนะกลุ่มใดก็ตามที่สนใจศาสนากลุ่มนั้นเนี่ยยาตาฟักก์รูนผู้ที่ติกต้องและชายปัญญาเพราะท่านปัญญาเนี่ยเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างที่มีปัญญาชนิดเดียวใช่ไหมในโลกนี้นะอร่อยให้เกียรติมนุษย์ขนาดไหน นั่นต้องใช้ปัญญาให้ทางในทางที่ถูกต้องอ่านจากูนอ่านแล้วก็ต่อยอดเราเองห้ำดิลเลอร์ห้ำดิลเลอร์ยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องอาต่อมาอายาที่เท่าไรครับอายาที่ยี่สิบสองยิบสองอ้ทับซีดอธิบายอย่างนี้นะครับท่านอิบนะอาบาสอธิบายว่าความรักเนี่ยมันมาตอนไหนตอนร่วมหลับนอนกัน ร่วมหลับนอนกันโอ้โหความรักมันตามมาเต็มเลยรสชาติอยู่ตรงนั้นแหละนะแล้วก็ต่อมารัมาเนี่ยตอนมีลูกพอมีลูกเนี่ยความสงสารเอนดูมันตามมารอเยอะมากนะครับใไซนะ้าอุ ม, มัดอธิบายยังไงฉันนี่รักภรรยาใช่ไม้มจำได้ใช่ั้มรักเรื่องสี่ข้อข้อที่หนึ่งภรรยาฉันตั้งครรภ์แทนฉันภรรยาฉันเลี้ยงลูกแทนฉัน ภรยาฉันจัดอาหารในฉันทานภรยาฉันซักเสื้อให้ฉันใส่สี่ข้อนี้ภรยาจะบ่นบังเชอตามสบสายใช่ไมว่าเป็นคอลีฟว่าเป็นชาวสวรรค์น่ะเรื่องเล่าเรื่องอย่างนี้ให้เราฟังเนี่ยเราคิดเองออกไหมเราคิดไม่ออกเราก็เดินตามฝรั่งมันเดินตามฝรั่งเดินตามวันพอเจอตามสาว บ, าาบ้านอับดลลอฮ์นี่มันกลับตอนละปัาดินโลกดุนยาไปนี้อันนี้เป็นต้นเลยนะอัต่อมาครับต่อมาอายาที่ยี่สิบสอง กุทรัดความสามารถของอัลลอ์เรื่องที่สามว่ามินอายติฮิขลกุสซามาวะติ والارض و اختلاف أ ل س ن ت ك م و أ ل و ا ن ك م إن في ذلك <ق> آيات อินนฟิซะดีกาลาอัติลลอัลิมินม่ช่ลามนะไม่ใช่ไม่ใช่อัลลิมินนอัลิมินอ่าลามกัสรอรลิลอัลิมินว่มินอายติห์ขลุกสัมวาติวัลอะ วัชทิลาฟ ل อัลสิ و ติคุมแ م ะอัลวานิคุมอินนَฟิดะลิกะลาอัยติลลِยลิมินอัลฮัมดุลิลนี่เป็นความสามารถของอัลลอ์ต้องการจะให้สรงบอกกับนบีมุฮัมมัดให้นบีมาสอนว่าอัลลอ์มีความสามารถในเรื่องที่ เรื่องที่ไรนะเรื่องที่สามอา่าเรื่องที่หนึ่งกัอาทิตย์ที่แล้วเรื่องที่สามมีอะไรบ้างครับวามินอาติฮีหนึ่งในสัญญาณทั้งหลายของอัลลอ์ให้มนุษย์ชายปัญญาละตอนนี้คอลกุสมาวาคอลกุนแปลว่าอะไร น, นะการสร้างอัสมาวาแปลว่าชั้นฟ้าทั้งหลายทั้งเจ็ดชั้นนี่แห ล, ละอัลลอ์สร้างอา้าวใครสร้างาเหมือนอลัลล์ มันก็ธานุเราเองสร้างมาคืแข็งจะใช้ไปไม่มีครับเอาต่อมาครับวันอาร์ด อ, รด อ, อราร์เอิบบร์ดภาษาเกฤบภาษาลาบใช้จะใช้ลอ่อจะภาษาลาบไปแปลว่าไรนะแผ่นดินแผ่นดินก็เจ็ดชั้นเราสร้างมาต่อมาครับเรื่องที่เรื่องที่สามกว่าย่านี้วัคติลาอิคติลาฟ เ, เดิมนะแปลว่าขันแย้งกันทีนี้แปลว่าแตกต่างกัน เอกซิลาแปลว่าเดิมแปลว่าขัดแย้งกันความคิดไม่ตรงกันแต่ตรงนี้แปลอะไรนะหลากหลาย อ, าอะไรหลากหลายครับอัลซีนาตีกุมอัลอัลซีนามาจากลิซานมแปลว่าลิ้นแปลว่าภาษาอัลลอฮ์ให้ภาษาในโลกนี้มีกี่ภาษาเยอะน่าในทัฟซิดอธิบายว่าเจดสบกว่าภาษาคำว่าเจสบเหมือนแบบก็ พันอะไรนะพันเก้ารอยอะไรพันพันแปดพันแปดภาษาไทยนีใช่ไหมพันแปดไม่ใช่พันแดอันนะจะํานวนเยอะฉะนั้นภาษาในโลกนี้พี่น้องครับภาษาเต็มไปหมดเลยแค่พวภาษาไทยอย่างเดียวเนี่ยสาากังลังเทพมัจจายาสเนี่อีอย่างอีกทางหนึ่งทางใต้อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมภาษาอย่างเดียวนี่นี่อลัลลอฮ์ให้นะไม่ใช่มนุษย์คิดเองนะมันจะอลัลลอฮ์ทั้งหมด เลาเห็นอย่างครับมีชี้นำด้วยชั้นฟ้าอัลลอ์สร้างมาแผ่นดินอัลลอ์สร้างมารวมไปถึงภาษาที่บุคคลพูดอยู่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตอลเอาต่อมาอีกเรื่องหนึ่งวาอัลวาลลาอูนแปลว่าสีผิวสีาคนญี่ปุน่นคนไทยคนเอเชียคนแอฟริกาเห็นไหมคนฝรัง่ง ผิวต่างก็นนะทำอยู่นี่แหละไปนอนอัลลอฮ์นี่เป็นความสามารถของใครความสามารถของอัลลอฮ์จากาอุษอานอ้ายานี้ความสามารถมีกี่อ้ายานี้มีกี่กีก่อย่างหนึ่งฟางชั้นฟ้าแผ่นดินภาษาสีผิวสี่ข้อแล้วและอายาก่อนนี้แหละถ้ารวมแล้วเนี่ยมันเยอะนะนี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์สุบฮานะละเอามาพูดเรื่องภาษาก่อนวันนี้เนี่ยเรายกย่องภาษาอะไรนะภาษาอังกฤษ ใช่ ไ, ไม่ใช่ยาฮูดีฝรัง่งกพยายามว่าฉันต้องยกภาษาอังกฤษให้เหนือกับภาษาอื่นทั้งหมดอิทธิพลเยอะมากนะมันพยายามยกภาษามาันแต่ภาษาที่มีบราการอ่านแล้วได้ผลแะบุญคือภาษาอาหรับต้องอ่านจากอัลกุรอานเห็นอย่างครับฉะนั้นคนที่อ่านกุรอานเนี่ยคนนมาอมุสลิมทั้งหมดทั่ทวโลกนี่นะประมาณ2องพันล้านคนนะพูดภาษาอาหรับเป็นทุกคน นี่เขาให้ขาองอิสลาม อ, ะอ่ะอาฟาติฮากุรอานรอเปล่ากุรอานเป็นภาษาอะไรภาษารับอัลฮัมดุลิลลอฮิรอมบีนาอัลลมีนเป็นภาษารับหมดเลยครับและเป็นภาษาเดียวในโลกจะเป็นกี่ร้อยภาษาก็ตามภาษากุรอานถ้าถูกนำเอาไปใช้หนสวนอะไรสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาอูบัดลใครพอเข้าวสวรรค์แล้วอัลลอฮ์ได้พูดภาษา阿拉伯 ถามว่าต้องเรียนบาลเมกุนโทสามาธรแล้วฉันจะไปเรียนที่ไหนแล้วล้อคุณทำตัวให้เข้าสวรรค์เถอะคุณได้พูดภาษารรบเป็นทุกคนเลยก็บอกงั้นก็ไว่ใช่ๆๆตกลงภาษาที่ดีที่สุดคือภาษาของกุรานก่อนหน้านี้ภาษาอะไรภาษาคำภีที่อลัลลอฮ์ให้มานะ่ะฮิบรูเห็นัครับแล้วเป็นไงครับใ น, นเมื่ออุลามาเขายาคูดีนเลยทาตัว ไม่เอาเอาลัลลอฮ์นะไม่เอานาบีของเขาเอาลัลลอก็ไม่เอาก็ไม่เอาเลยมายกย่องนบีมูฮัมหมัดแทนยกย่องซาวาบะแทนยกย่องมุสลิมแทนเพราะว่ากลุ่มที่ผ่านมาปฏิเสธเนี่ยลายคนฆ่าคนใช่ไหมฆ่าสมัยนบีอะไรนบรีมูฮานมะัฆ่าเด็กไว้เท่าไหร่ไม่เอาอิสลามที่ผ่านนาบีมูซามัดอลลอฮ์ก็มาเลือกเอานาบีมูฮัมหมัดมาแล้วก็ไปอยู่ยึดประยุท์ประเทศอาหรับที่เลวที่สุดนะ สามารถเปลี่ยนแปลงคนตรงนั้นได้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของโลกจนปัจจุบจันนี้นี้เป็นต้นนะครับเอาตัวลงว่าภาษาภาษาใดดีที่สุดเดีพูดพูดเต็มที่เลยนะคือภาษากุรานเพราะแล้วก็จะอยู่ถึงวันเตียมะและเอาไปชาใช้ใ้วันเตียมะได้ด้วยหอามดูลเลห้ามดลพระนั้นส่งเสริมลูกๆเราให้เรียน ภาษาอาหรับเรียนภาษาไทยด้วยภาษาอาหรับด้วยภาษาฝรั่งก็เรียนไปเถอะแต่เน้นภาษาอาหรับเน้นให้อ่านคุรานี่ถูกต้องด้วยพอมีรางวัลตอบแทนจากเราพูดภาษาอื่นรางวัลไม่มีนะแต่พูดภาษาคุรานมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาหฺวาตาลาอัลลอฮฺอักบัดยิ่งใหญ่ครับพี่น้องครับนี่อ่านจากคุรานได้ไ ด, ไดขอคิดใช่ไหมอัลฮัมมี่เลยนะขอบคุ ณ, อ, คณอัลลอฮอ่ะทีนี้ อินฟิลิกะแท้จริงเนี่ยเรื่องที่อัลลอ์ความสามารถของอัลลอ์ข้อนี้นะละอายตามีสัญญาณเยอะไปหมดต่างๆลิลลีมินสำหรับผู้อาเลมอาอาเลมนะสำหรับผู้รู้คนที่เรียนหนังสือเนี่ยเอาไปต่อยอดได้เยอะมากเลย ถ้าอ่านเป็นอาลัมเนี่ยแปลว่าโลกอาลลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อ บ, บิญอาลอมีนแปลว่ายูนิเวอร์สใช่ไหมถ้ า, าลีมีนลำกาสรคุปปุรุเห็นไหมครับแค่เปลี่ยนจากอามาเป็นอีจากลามาเป็นลี่ความหมายเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับ อัลลอฮฺอักบรนี่ความยิ่งใหญ่ของของภาษาอาหรับที่มาจากอัลลอฮฺเราเลือกภาษาอาหรับเป็นภาษากัภอิคุอ่านอัลลอฮฺอักบาร์ละหมโนลิละละอายาติลิละลิมินอาเลมเนี่ยอาลิมเนี่ยแปลว่านะผู้รู้อาลิมินผู้รู้ทั้งหลายคนที่อาเลมทั้งหมดในโลกนี้นะอ่านกุอ่าน Quran, อัญาณ น, นี้อัลลอฮฺอักบรเป็นสัญญาสำหรับคนชายปัญญาที่เป็นคนโตอาเลมทั้งหลาย ไปต่อยอดานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอ์นะครับพี่น้องที่เราเนี่ยอ่านอั uran, ลกุรอานเรก็ได้คอคิดจอัลกุรอานนะครับทีนี้พออาา่านกุณอ่านไปรเราก็พบอายาหนึ่งนะถามว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาทำไมสร้างมาทำไมบางคนยังหาคำตอบไม่ได้เลยนะคำตอบอัลเบียนคะุรานว่ามาลักตุลจินนะลอินซะอิลลลียะบุดูล อัลลอฮ์เออยอะไรก่อนเออ ย, ยินก่อนนะฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ต่อการจะชี้นาเราล้วโอ้มนุษย์กับยินเนี่ยใครถูกสร้างมาก่อนยินสร้างมาก่อนมีไหมมีแต่มองไม่เห็นตัวอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์อิลลัยบูดูนอกจากเพื่อให้ยินและมนุษย์นั้นพักดีต่ออัลลอฮ์คาว่าพักดีไม่ใช่นามาอย่างเดียวนะ่ยที่อัลลอ ให้ความรู้ผ่านกุณอา่านนั่นคือทางนำของมนุษย์หมดเลยอะ่ะทุกเรื่องไม่เห็นอะ่ะอันจากคุณอานนี่ไปเนอะแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําอัลลอฮฺเอากะว่าแค่ภาษาอย่างเดียวเราก็มึนแล้วแค่สีผิวอย่างเดียวเราก็ไปไม่รอดแล้วมองชั้นฟ้าอย่างเดียวเราก็อัลลอฮฺไม่ออกไม่รอ้องเนี่ยความอ่อนแอของมันเชื่ออัลลอฮฺดีกว่าแต่ที่คนที่ขึ้นมาแข็งกายยาฮู ด, ดีกั่นัส ร, รอห์นี่ เหมือนกันล้อสรงมาเนี่ยละเอา้าเอาลองลองดูสิใครมันจะเชื่อใครกันใช่ไหมพวกนั้นะพวายตอมล้ ว, ว่าฉันจะหลอกมนุษย์ของท่านนั่นแ <c oughs> หละ้ตกละรกยกเว้นคนที่หัวใจบริสุทธิ์ต่อท่านฉันไม่ยุ่งนี่ชาตอนพูดอย่างนี้เลยนะถ้าหัวใจโลเลโลเลเป็นเหยือกของฉันหมด ขจิใจใครที่อิคลาดบริสุทธ์ต่อัลลอฮ์ว่ามาอุมิรูอิลลาลยาบุดุลลอ์มุคลิีนละดินเขาว่ามุคลิสวมายถใจใครสะอาดเพื่ออัลลอฮ์อยู่กับอลลอฮ์อยู่กับรอซูลชายตอนไม่เข้าไปยุมยกเว้นนะ่ะนอกนั้นฉันเอาเกลี้ยงเลยนะอ้าววันคริสต์มาสกับสงการตายปไปเท่าไหร่น้อยกว่าปีที่แล้วหรือมากกว่าสี่ร้อยกว่านะทำตัดเลย นนีเป็นต้ น, นแล้วเป็นข้อคิดแล้วก็คิดต่อไปคิดต่อไปตกลงว่าอายาที่ยี่สินี่ความสามารถของอัลลอฮ์เรื่องที่สามนัลฮะมดุลิลล์พี่น้องทีนี้อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยรู้เปล่าเราเนี่ยทำสัญญากับอัลลอฮ์ไว้กี่ฉบับแล้วรู้เปล่าวิญญาณทําสัญญากันะบอัลลอฮ์นานบีอาดัมทําสัญญากับอัลลอฮ์ไว้พ่อเราอะ ตั้งหลายฉบับนะฉบับที่หนึ่งอลัลลอฮ์เป็นรบอลัลลอฮ์เป็นพผู้เป็นเจ้าอลัลลอฮ์เป็นผู้อภิบาลสร้างโลกสร้างนี้ในเรื่องที่หนึ่งฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองนะเราจะไม่ก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอลัลลอฮ์ฉบับที่สามอะไรรู้ไหมฉันจะไม่ทะเลาะตัญญาติกับญาติพี่น้นองของฉันทําสัญญากันไว้กับอลัลลอฮ์นะอย่าเราก็มองเองทำตามสัญญาหรือเปล่า ข้คุณพ่อท่านธรรมอรรักษ์กระชันท่นคันนี้ตัดขายกับญาติพี่น้องต้องนึกเฮ้ยเราได้ทํานี่แลตัดผัดตัดยา ก, กับญาติพี่น้องกับเรื่องเรองมรดกใช่หรือไม่ใช่ออลก็ให้มาทดสอบใจกันนี่ละเอาพอเจอมรดกภาพมาเอาเงินใหญ่กว่าคําสั่งอลอลจบเลยครับทท่า น, นอย่าเอาเงินอย่าเอาชื่อเสียงอย่าเอาตําแหน่งเกียรติยศ ใหญ่กว่าคําสั่งของอัลลอฮ์ซุฮาบนะฮูตะลาวันงานโรงเรียนเะนมีหลายมาทับมาทาบมาถึงพักการเมืองไหลไหลเลยนะไหลหลายพักนะก็มามาสลามกลมก็มองแล้วก็เรียบเทียบกับอิบานชาฟีมีราทาบจะมาชามีมาลิกีฮัมบารีสี่มามบมับอันนี้ตั้งหลายพัก แตกกันเมืองดินนี้เพื่ออธิบายง่ายๆว่าอิสลามนี่ดีที่สุดคืออะไรนะเอามาับของนบีพอแล้วจากอัลลอฮ์กากีตาบุตรและศูนย์นะพอแล้วยังอื่นอย่าไปหาเล่ไปน้องสบายใจที่สุดเพราะว่าปลอดภัยที่สุดนะครับตกลงว่าเราเนี่ยทำสัญญากับอัลลอฮ์วิญญาณเราทําสัญญากับอัลลอฮ์ไว้หลายฉบับนะฉบับที่สามอะไรนะเราจะไม่ตัดขาดกับญาติพี่น้องของเราอัลลอฮฺอักวาส ต่อมาครับอายาที่ยี่สิเป็นความสามารถเรื่องที่4ของ AH. อัลลอฮ์นะครัอายาจากคุณ่านสุนัขรูมนะว่ามินอายาติฮีมานามุกุมบิลไลลิวันนารว่บัติกรุคุมมิมฟาดลิ إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته منامكم بالليل منامكم بالليل والنهار و ب ِ غ ا ء ك م من فضله อ, อินนัฟี ذلك ลาอัยยต์ لقومي يسمعون อัลอัลฮัมดุลิลละอัยานี้อธิบายเรื่องกุดระตุลลอฮเรื่องที่สี่อัลฮัมดุลิลละกับว่มินอายาหอ้ายะจะเประสัญญาทนนณ ท, ญญาทั้งหลายแต่พูดซ้าไปซ้าไปให้เราใช้ปัญญาให้เราคิดแต่ขอบคุณอัลลอ์นั่นแหละนะ หนึ่งในสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์มาหน้ามุกุมอัลลอฮ์พูดเรื่องเรื่องเรื่องภายในบ้านแล้วการนอนของสูจา้าใครให้ครับอัลลอ์ให้ต้องนึกหมดคนที่เป็นมุมินต้องนึกอัลลอฮ์ฉันเนี่ยหลับทำดูเลนอนอยังไงให้มีบรารกัดต้องนอนตามนาบีมุฮัมมัดอย่านอนตามนก นไมนอนให้มีบริการนอนยังไงเพราะว่าอาัลลอฮสั่งว่าการนอนของพวกคุณเนี่ยฉันให้นาไม่ใช่คิดเองอะ่ะทีนี้นบีมสลัมเนี่ยสอนอยงรรังไงหรือไมก่อนนอนนบีทำสุนนะนาบีประมาณสิบห้าข้อข้อที่นึงก่อนนอนให้นอนแต่หัวค่ำข้อที่สองให้แปลงฟันข้อที่สามให้อาบน้ำนำ้ำาบข้อที่สี่ให้ดึงที่นอนให้ตึงข้อที่ห้าให้ยกมือขึ้น ข้อที่หกให้เป่าข้อที่เจ็ดให้อ่านสามกุ้นอล่อยไหมพี่น้องแล้วก็รูปข้อที่แปดให้รูปตั้งแต่ทำทิศทำอย่างนี้นะ่ะสามครั้งข้อที่9ให้อ่านนายะกรุสีอร่อยพี่น้องข้อที่สิบให้อ่านสุบภานนลลอก่อ น, นอนหมานท่านนาบี บ, บอกท่านหญิงฟาติมากษัตรินาลีที่มาขอคนอะไรนะคนชายรับงชอบชายนาบีบว่าอ่านสุบภานนลลอทำดีแล้วก่อ น, นอนลูกเอ้ย ดีกว่ามีคนใช้เองเห็นอย่างกรนี้ข้ออข้อที่12แล้วแล้วก็เอามือขวาจับแก้มขวาข้อที่13แล้วก็อ่านดูอา์ข้อที่14บลี่นนอนตะแคงขวาข้อที่15มีทั้งหมดทั้ง15บรายการเป็นสุนนะนบีอธิบายกัน ม, มานามมกุมบิลไลให้ไหม หนึ่งในสัญญาณทั้งหลายที่อัลลอฮฺให้กับมนุษย์มนุษย์ต้องขอบคุณอัลลอฮฺเยอะๆนะมานามุกุมบิไ ล, ลแล้วก็คุณนอนในเวลากลางคืนเดี๋ยวนี้คนนอนกลางคืนไม่เคยมีแล้วไม่จะนอนไม่ได้นอนกันขับรถแข่งกันนั่งคุยกันนินทากันอะไรก็ต้องคืนหมดเลยเข้าบาข้าวขับและชีวิตสุขภาพเป็นไงจะมีบรรยากาศ เดินตามสุนนะนบีนอนแต่หัวค่ําแล้วตื่นตอนก่อนอาซาสักชั่วโมงหนึ่งนี่นบีให้รูปแบบไว้นบีสุขภาพแข็งแรงซอ บ, บ้านนบีแข็งแรงฉั้นเราเองเราต้องการสุขภาพแข็งแรงนี่นะไม่ต้องไปหาหมอเยอะมาจนไปกินยาไปกําำก ำ, กำมือเนี่ยรอเขาอักวัตเดินตามสุนนะนบีคือสุขภาพแข็งแรงะ ต่อมาครับว่ามินออยาที่มานามุมาจากนามุนอัลสลาทุกคอยรุมมีนันน้ำนี่หละสักคำนี่แหละมาน่าบิการนอนของสูเจ้าอัลสลาทุกคอยรุมมีนันน้ำการนอนน้ำมาดีกว่านอนอัลลอฮฺสอนยังผ่านทะบีนอนมากดีนะนอนมากไม่ดีลุกขึ้น ลุกขึ้นกูอานอธจฉริยะเอกตาตาจาฟายูนูบูหมอานิลมาดอเยเอาสีข้าวออกจากที่นอนคุณน่ะตอนไหนก่อนอาจานสักหนึ่งชั่วโมงล้องทาดูสิสุขภาพแข็งแรงพอตื่นมาเลยไม่ใช่ลูบหน้าก่อนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอัลฮัยนาบะดาลมาอามะตานาไวไลฮินยูชูตอนตื่นนอนนะนนบีสอนอีกนะแล้วก็ปมที่เะตอน ผูกไว้กี่ข้อนะกี่ปมนะสามปมปมที่หนึ่งหลุดปมที่สองอามน้อมนามาดปมที่สามยืนนามาดถึงจะหลุดถ้าไม่ทํารูปแบบที่ น, นบีให้ไว้ชะตอนค้างอยู่ในตัวคุณเดี๋ยวมโหแล้วแล้วจะตะเตะเมียแล้วสิ <laughs> ยิง่งไม่เอาอิสลามเลยเป็นน้องชาตอนคุมเรียบร้อยเลยไ่้ไหม วามินอายาติฮิมานาหมูกุมบินเลย์การนอนของสูเจ้าในเวลากลางคืนแล้วยังมีอินศาสต์อีกวันนะฮะนอนกลางวันด้วยอ๋อหลังดูลิละคนนุมน่มๆไม่ได้คิดเรื่องคนสามไม่ได้คิดจะนอนกลางวันจากกุ้นอ่านเตือนเขาเรียกว่าก่อยรูล ะ, อะนอนหลังนามาดฮุฮต กินอาหารกัางวันนามาโซฮเสร็จให้พักผ่อนสักห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีพออายุผมนี่จิเแล้วนะปีนีนะ้รู้แล้วอ่ะเดินตามคุรุอานสบายที่สุดอยรู้ละนอนงีบสักเยอะไม่ใช่สามชั่วโมงไม่ใช่สี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงพอพักผ่อนเนี่ยพออายุเยอะๆเนี่ยรู้เลย อัลลอฮฺอักุบะเดินตามกุรานเดินตามคําสั่งของอัลลอฮฺผ่านกุรานผ่านสุนานะนบีอัลฮัมดุลิลละนอนกลางวันก็อ น, นอนกลางคืนกลางวันจะนอนเย้ยิบงียบนะงีบเพื่ออะไรนะเพื่อไปชดเชยที่เราลุกขึ้นนะมาตาฮัดยุดเมื่อคืนนี้เอามาชดเชยตอนกลางวันอัลลอฮฺพี่น้องแล้วลุกขึ้นนะมาตาฮัดยุดนี่เป็นตัวช่วยสฟาในวันกิยมามะใช่หรือไม่ใช่อัลลอฮฺถามนบีถามว่าเช็คดูสิ ท่านจะชางอคนนี้แหละทหายุตบาวเออบ่อยเว้ยโอ้โหบัญชีโอ้โหทำทุกอาเทศตลยทแลละสามวันสี่วัน4วันและทำด้วยเลยละนั่นเป็นตัวช่วยชางอจากอัลลอฮ์ให้คนที่ลยกขึ้นนมาทหายุดเอาน่าเช็คดซิตอนอยู่มดีนน่นมันด่าคนเยอะไหมโอ้มันไม่บ่นเลยเว้ยดีจริงจงตอนอยู่ในมดีนพนบีสั่งทั้งหมดไมยู่9ข้อข้อที่เก้าเนี่ยก็คือ ตอนมีชีวิตตอนที่ไปอยู่ที่มาดีนะเจ็วันหรือห้าวันก็ตามไม่บนซักแอนนึกถึงคําสั่งของนบีอ้าวเดี๋ยวเจ้าจุวช่วยะช่ชาวอ้านโลกอาคีรอจะตามมาอดูในคุณอานอ่านฟัง่ันอัานสม่ำเสมอเปิดดูอัลลอฮฺมันดูคุณอ่านสม่ำเสมออ่านคุณอ่านสม่ําเสมอและอ่านอะไรนะอานสุรบักรออ่านอัลอิมรอนแล้วมันอ่านอีกอะไรนะ ตบารกัลลาีบียาดิฮิลมูลโอ้ลหัมด้วยล่ะติดต่อกับเครือยาติด้วยโอ้ในตัวชะฟาอุมเลยลหัมเนีชอบอว่าอนุเคราะห์ช่วยเหลือในวันตียมาต่อมาครับสัญญาหนึ่งของอัลลอ์นะครับก็คือการนอนอัลลอฮ์เห็นอย่างครับฉะนั้นต้องนอนตามสุนนะนบีถึงจะมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์อย่านอนดึกแต่มาคืนมันก็นอนเกือบ มาคืนใบ ป, ปัญญาที่ไหนอะไรนะหลิวชื่อไนะแบนชัดโดห้ามไปเลยหตลงวันน้อยกลางกลางวันบ้างเลยเล็กน้อยนะต่อมาครับวาบติโก อ, อุกุมอิฟติโกแปลว่าแสวงหาการแสวงหาของสูเจ้ามาถึงการทำงานะ่ะ นะครับนี่ใครใครอธิบายรูมอุลมามะอธิบายตับสวิธอธิบายสแสวงหาอะไรรู้ไหมมีฟรัปโลีฮีความโปรดปรานของอัลลอฮ์ความโปรดปรานของอัลลอฮ์นี่คืออธิบายอย่างนี้พี่น้องเงินอ่าติยาหรอกการค้าอ่ากลางวันเนี่ยนะให้ออกไปสแสวงหารีสกีของ Allah. อัลลอฮ์บางคนรีสกีเขามีพร้อมอยู่แล้วก็สแสวงหาอิมานได้กลางวันใช่ไหมล่ะ ไปเรียนหนังสือที่นั่นทีนี่ก็ไปเรียนไปใช่ไหมพี่นอ้องบางคนเงินไม่มีก็จะแสแวงหาริสกี้พ่ออนาบีเนี่ยเคยเตือนผู้หญิงคนหนึ่งชื่อฟาตีมาบินไกส์นบีครับนาบีจะ บ, บิจ่าหนูมีผู้ชาชอบสามคนก็เออชื่อคนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนั้นอัลลอฮ์ให้นะนบีนะคนคนแรกเลยอย่าไปแต่งกับมันมันตกเก่งมันเตะเก่งอย่าไปแต่งกำมัน คนที่สองเนี่ยมันหาริสกีไม่เป็นอย่าไปแท่งเห้นยังครับคนที่สามเนี่ยที่เอ่ยชื่อมาแต่งเลยคนเนี้ยดีหมดหาริสกีไม่เป็นอนัลนายดียังสั่งเลยนะอย่าไป แ, <laughs> แต่งก่อนท่านริสกี้เขารอบกุกอันสั่งหนึ่งอะว่าบติโกอูกุมท่านทั้งหลายและการแสวงหา การพยายามอิบติโรนี่เป็น้องแสวงหามิมฟาดุลีฮิจากความโปรดปานของอัลลอฮ์แสดงว่ากลางวันเนี่ยเป็นเวลาสําหรับแสวงหาฤากีของอัลลอฮ์สุบฮ่านาบุบะตาหาความรู้ก็ได้หาอิมานก็ได้หาเงินก็ได้เป็น้องครับเขาเรียกว่าความปวดปานเวลาเป็น้องอ่อจามุสติสเขอ่านดูอาว่าไงอัลลอฮุมะอินนีอัสอลูกามิมฟาดลีกานี่ไงฟาดลุลความปวดปานอยู่ข้างนอก ถ้าเข้ามัสยิดอย่ามาหาเงินตรงนี้อันี่มิตรราะห์มาความเมตาอัลลอฮุมมัฟตะ์ลอบวาบะราะห์มาติกเขาห้ามพูดเรื่องค้าขายในในมัสยิดขายของหายจประกาศกิซโซ่ยายายา ย, ายาประกาศร้องให้หายเลยไปขายข้างนอกน่นอิสลามสอนดีม า, จากจนนั่นเรื่องดุลยาพยายามอย่าพูดมัสยิดพยายามพูดเรื่องข้างนอกข้างนอกโซเราเ ดนอัลลอฮได้เป็นข้อคิดทั้งหมดเลยนะต่อมาครับอินนฟิลาลาอัลยัดแท้จริงในนั้นในในกลางวันและในกลางคืนเนี่ยนะที่กลางคืนด้วยนะกลางวันกลางคืนและการนอนเนี่ยมีสัญญาณต่างๆลิกามินแกมูชนที่ยัสมาที่ฟังยัสมาไปว่าฟังที่ฟังที่อธิบายไงนะแปบลบว่าชายปัญญาและศึกษา นี่ใช้ภาษากี่คำนเนี่ยอะไรนะดีเกามีลิลายญาตลิลอาลีมีสำหรับคนรู้อายาที่2ี่สํสาำหรับคนที่ฟังหมายถึงคนที่ศึกษาหาความรู้ได้หมดเลยกุราน อ, อ๋อจะจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามเอากุรานไปใช้ในชีวิตประจำวันเอาต่อมาครับ อายาที่เท่าไหร่มีห้านาทีอายาสุดท้ายนะอายาที่ยี่สิบกุตตร์อดของอัลลอฮ์ข้อที่ห้าอัลฮัมดุลิลละวามินอายาติฮีเอาต่กนเี่งเรื่องริสกีของอัลลอฮ์เวลาหาเนี่ยให้นึกยังไงให้นึกแบบนกเวลาเอาสแสวงหาริสกีของอัลลอ์ ให้นึกนกเบิร์ดเบิร์ดเอาตอยเบิร์ดนกเนี่ยมันตวัด ก, กันต่อรอนะ่ะบินออกจากรังเนี่ยท้องแห้งไหมไอิมแห้งครับแล้วกลับมาตอนเย็นเนี่ยอิมมาเลยแล้วก็เผื่อลูกอยู่ในรังด้วยท่า น, นให้ให้พูดศรัทธาต่อรอมองเบิร์ดมองนกเป็นแบบในการแสวงหาให้ตวัด ก, กันต่อรอมอบหมายต่อรลมะฮ์มมัด อยากคิดว่ากูแน่กูแน่ยายา ย, ายาให้นอ บ, น, อบน้อมไม่ทอมตนัชเอาตัวอย่างนกแสวงหาไม่เคยขโมยใครเลยรักของที่อลลอฮให้หมดเลยไม่เคยโกงใครโอ้ต้องนึกเยอะนะละคนมาต่ออลลอฮสุฮาตาลาครับอยายะสุดท้ายว่ามินอายาติฮียูรีกุมุลบารกขาวฟังวะตามา وَيُنَزِّلُ مَوْتِهَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ إِنَّ فِي بِهِ ذَلِكَ لِقَوْمِ لَآيَاتٍ الحمد آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ว่ายน้ําซึ่งลมจากสวรรค์มาฟื้นฟูดินหลังจากที ا أ ่มันตายไปแล้วนี่คือสัญญาณกุณลกะของอัลลอ์ข้อที่หและหนึ่งในสัญญาณของอัลลอ์มีอะไรบ้างครับ ยูร um ีกุม e ูลบัตรกบัตรกบแปลว่าฟ้าแลบอัลลอฮฺสอนเรื่องฟ้าแลบมาจากใครอัลลอฮฺให้ฟ้าแลบนี่เป็นอุดรอของอัลลอฮฺใครทําได้อ่ะยูรดีกุมทําให้เห็นอัลลอฮฺให้ฟ้าแลบปุ๊บพวงมา ทำให้มนุษย์เห็นฟ้าแลบนี่เป็นสัญญาณหนึ่งของอัลลอฮ์พอฟ้าแลบปั๊บทำไงครับบางคนว่าไม่เป็นเฮ้ยฟ้าแลบฟ้าผ่าตามมาอีกใช่ไหมฟ้าร้องฟร้องกลัวกลัวกลัววิ่งเข้าบ้านอ่านดวอาไม่เป็นเพราะไม่เคยเรียนสุนนะนบีสุนนะนบีอธิบายอย่างนี้นะครับ เวลาได้ยินเสียงฟ้าร้องเนี่ยหรือฟ้าผ่าอะก็ตามแต่หลังจากฟ้าแลบแป๊บจะตามมาเลยนะสังเกตนะอัลลอฮุมมาลาตักทูลนะบิรราบิกะวลาดะฮลิกนะบิบอัาบิกะอัลล์อัลล์จะอยากฆ่าฉันเพราะความโกรธของท่านอัลลอ์เอาฟ้าผ่าหรือฟ้าร้องเป็นเครื่องมือทำลายมนุษย์ได้ไหมได้ครับให้น้ำท่วมเป็นเครื่องมือทำลายมนุษย์ ให้เซิรนามิเกิดขึ้นเพื่อทำลายมนุษย์คนชั่วๆนะและคนดีด้วยถ้าเอาศาสนากันนะแล้วก็ให้ทะเลเป็นเครื่องมือทำลายมนุษย์ให้แผ่นดินไหวเป็นเครื่องมือทำลายมนุษย์ไอ้ น, นี่ก็เหมือนกันฟ้าผ่าฟ้ า, ฟาร้องเป็นเครื่องมือทำลายมนุษย์เพื่อไม่ต้องการให้อัลลอฮ์ทำลายเราอ่านดูอาลออิอัลลอฮุมมาลาตักตุดลนาบิกรอบบกร กอดรอบแปลว่าโกรธเอาล้อจ <laughs> right ๋าอย่าข่าฉันพราความโกรธของท่านผมยังตัดมาซื้อพิมพ์ไว้นะตายไปสี่คนคนไทยมาหลายปีมาแล้วเนี่ยนะเพราะมีตะกุดเยอะมีโน่นมีนี่ใส่คอหน่ะไอตัวล่ออะไรนะล่อลอวล่อฟ้าหมดเลยไม่ต้องไปใส่อะไเลยอะไรละละอาซงอาซีบไปไม่ต้องไปใส่คอว่างๆนี่แหละพี่น้องดีที่สุดเอากุณอ่านย่อๆมาแขวนคอ ทาตามใครกูอ่านกูอ <contexto> <L OS ír> ่านนี่อ่านอย่างนี้เราอักบัตเอาตอมาครับแล้วก็อ่านอ่านอีกอีกอีกอะไรนะอีกอีกดูอ่านอกบหนึ่งสุบฮานัลละียุซาบเบูรออบิฮมดีฮวลมลาอิกาตุดมินขีฟตฮเวลาฟา้องได้ยินเสียงฮานัลละียุซาบเบฮูรออุดบิฮามดีฮิวลมลาอิกาตุดมินีฟตฮที่เป็นสุนันนาเบียตงวด เอารูปแบบนบีมาชาติในชีวิตประจำวันพี่ น, น้องว่ามินอายาที่หีหนึ่งในสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์ก็คือให้สู่เจ้าเห็นฟ้าแลบพอเห็นฟ้า แ, บแลบจะเป็นไงอัลลอฮ์เล่าเ อ, าเองนะเข่าฟันกลัวหรือว่ากล้ากลัวครับทุกคนกลัวหมดเวลากลัวทําไงนึกถึงอัลลอฮ์ผ่านสุนนะนาบีนบีสอนในว่าดูอาบทนี้บทนี้บทนี้บทนี้ต่อมาครับว่าต่อมาอานันต่อมาเป็นอะไรละโมบอย่างได้ อธิบายยังไงกลัวอัลลอฮ์จะเล่นงานเรากลัวอัลลอฮ์จะทําลายเราแล้าว่าน้ําฝนมาทําให้มีบรรยกาศกับชีวิตหวังอีกไอไหมให้อย่างเราปลูปกนาไว้ปลูกข้าวไว้ต า, าจยิงฝนไม่ตกมานานแล้วอัลลอฮ์จะให้ฝนตกเจอทันี้ก่อนฝนตกมันมีฝ้าผ่ากับฟ้าแลบมากลัวอกีกกลัวก็อ่านดูอ่าแล้วก็หวังว่าน้ําฝนที่ตกมาจะทําให้อัลลอฮ์ริสกีฉันอะไรอะไรก็เพิ่มพูน มีทั้งกลัวและมีความหวังแต่อย่าลืมนะต้องนึกถึงอัลล อ, อ์ตลอดเวลาต่อมาครับวายูนัสิลูมมนัสามาและอัลลอ์เนี่ยทำให้มาแปบลบว่าน้ำฝนลงมาจากชั้นฟ้าเดี๋ยวนี้เราก็ทำฝนเทียมกันใช่ไหมเรียนตามแบบอัลลอ์แต่สร้างกำหนดตกไม่ได้นี่ข้อข้อตัวอย่างผมคุยไอ้คนที่ทำฝนเทียมเนี่ยเขาว่า ทำฝนเทียมได้แต่สั่งให้ตกเฉพาะที่ไม่ได้บงทีจะให้ตกที่แปดริ้วไม่ตกพระกรนนะองะคุมไม่ได้จะนั้นเอาลอคุมแต่เพียงผู้เดียวเรื่องน้ำบนชานฟาทั้งหมดจะให้ตกตรงไหนเนี่ยมนุษย์ทำฝนเทียมได้แต่ควบคุมให้ตกเป็นที่ไม่ได้เห่นยังครับต่อมาครับ ฟยุฮีบิฮิลอราร์ดาบะดะมาติฮะพอน้ำฝนตกลงมาทำให้แผ่นดินที่แห้งแล้งมีชีวิตชีวอาอัลลอฮสอนให้เราใช้พยาใช่หรือไม่ใช่ใช่อะฉะนั้นแผ่นดินกับหัวใจของมนุษย์เหมือนกันแผ่นดินพอถูกน้ำพัดเปไงกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวา หัวใจของคนถ้าไม่นึกถึงอัลลอฮ์เป็นหัวใจตายด้านฉะนั้นพออิหมานต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอ่านค์อ่านกุรอานอัลสุนานะนาบีมาหัวใจมีชีวิตชีวาถ้าลืมอัลลอฮ์ลืมอลัลกุรอานหัวใจเองตายด้านเหมือนศพเดินได้เอาทุกวันนี้เป็นศพกันเยอะนะถึงได้มีรถชนกันทะเลาะกันฆ่ากันยิงเพราะศพเดินได้ไงอีกนิดหนึ่งมาต่อมาครับ อินฟิสตลิกะลายาแท้จริงในเนี่ยในในในในในฟ้าแลบก็ดีในความกลัวก็ดีเป็นความหวังก็ดีแล้วก็ละโมบก็ดีฝนตกลงมาจากฟ้าฟ้าก็ดีทำให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากแห้งแล้งไปนะั้นเป็นสัญญาณสำหรับใครครับลิก้ามินมูชนนะมาจากคนเดียวนะ มูชนเลยนะครับอญาอติลูนชายปัญญาอาญาที่ผ่านมาได้ยินอาญานี้ชายปัญญาพูดตรงๆนะคุณเข้าใจงจา่ายๆจะ้องว่าปัญญาเรามีไว้เนี่ยเพื่ออะไรครับมันจะคิดเรื่องอื่นนะคิดเรื่องอลัลลอฮ์นี่แหละเรื่องชั้นฟ้าแผ่นดินเรื่องฝนตกก็ก็เรื่องอะไรเนี่ยฟ้าลงฟ้าแล่ฟ้าพาเราวันนี้มัสัญญาณของร้อนทั้งหมดเลยนะนะครับ ด้วยการที่ผมอ่านมาด้วยกันคืออะไรนะอัลลอฮุมัลลาตักทูลนะบรอดบายก์ะว่าลาต ل ฮลิกนะบีอาดาบิกะว่าฟินะกับลาจากิกะสุบฮานะหละยิยุสับบุรั่งดูบิฮัมดีฮีวัลมาลาอีกัตุมินชีฟตีบริบาลครับสุบฮานะลลอฮุมะวบิฮัมดีกัสัลลัลลอฮิอิลลัอันตักฟุร์กาวะตบิลลัลลอฮลามุวอะลฮวบฮอัจมฮัมดลฮิรบิอาลามี